อริยสัจสี่โดยสังเขปภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐมีสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเหล่าไหนเล่าสอย่างคือความจริงอันประเสริฐคือทุกข์ ความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์ความจริงอนันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์และความจริงอันประเสริฐคือทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ <Cathy> ภิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เป็นอย่างไรเล่าคำตอบคือขัน อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นห้าอย่างห้าอย่างนั้นอะไรเล่าห้าอย่างคือขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพิกษุนทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐ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 ตัณหาในกามตัณหาในความมีความเป็นตัณหาในความไม่มีไม่เป็นพิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือเหตุให้เกิดทุกข์พิกษุทั้งหลายความจริงอันประเสริฐคือความดักไม่เหลือของทุกข์เป็นอย่างไรเล่า คือความดับสนิทเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือของตัณหานั้นความสละลงเสียความสลัดทิ้งไปความปล่อยวางความไม่อะไรถึงซึ่งตัณหานั่นเองอันใดภิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือความดับไม่เหลือของทุกข์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 ความตั้งใจมั่นชอบพิกษุทั้งหลายอันนี้เรากล่าวว่าความจริงอันประเสริฐคือทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์พิกษุทั้งหลายเหล่านี้แลคือความจริงอันประเสริฐสี่อย่างพิกษุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอ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 วงรอบการเกิดและสายปฏิจจสมุขบาทวงรอบการดับมาใส่ไว้ในตัวสมุทไทยและใส่ไว้ในตัวนิโรธซึ่งเป็นการอธิบายการเกิดขึ้นแห่งทุกและการดับไปแห่งทุกโดยละเอียดลักษณะนี้ก็คืออริยสัจ4โดยละเอียดที่ลงรายละเอียดในส่วนของสมุทไทยและนิโรธโดยใช้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 ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะสมุทัยอริยสัจดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขนิโรธอริยสัจเป็นอย่างไรเล่าเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชาั่นเที่ยวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขาร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 โสกะปริเทวะทุกขะโทมนัตอุปายสะทั้งหลายจึงดับสิ้นความดับลงแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี้เรากล่าวว่าทุกขะนิโรธอริยสัตดูก่อนภิกษุทั้งหลายทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจเป็นอย่างไรเล่ามักอันประเสริฐประกอบด้วยองค์แปดประการนี้นั่นเองกล่าวคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธ